ต่อจากนี้ไปเป็นการรมธรรมชาเรื่องความยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่8สิงหาคม2536ที่พุทธสถานปฐมสโสบขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี พวกเราจะได้เห็นนะได้เห็นว่าแม้แต่จะมาสัมผัสเพียงไม่กี่วันเอพวกเราจะได้เห็นนะได้เห็นว่าแม้แต่จะมาสัมผัสเพียงไม่กี่วันจะเป็นมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ตามยิ่งผู้ที่เคยมา หลายครั้งแล้วแล้วก็เคยมาอยู่หลา ย, ลายวันแล้วก็จะเห็นนะเพราะเราจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้แหละมีชีวิตอยู่เพื่อการศึกษาชีวิตของเรานี่ต้องตั้งใจศึกษาต้องตั้งใจใช้เวลาที่เราเกิดมามีชีวิตนี่อบรมอบรมตนฝึกฝนตน แล้วก็ศึกษาให้เข้าใจให้เข้าใจหรือให้ให้เห็นในศัพจธรรมหรือในในทิศทางที่ดีหรือความความเป็นคนซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งในโลกนี้ลูกโลกนี้มีดินน้ำลมไฟมีชีวะดินน้ำลมไฟนี่ก็เรียกว่ารวบรวมไว้หมดแล้วละ่ะ มีดินน้ำมลมไฟแล้วก็มีชีวะมีชีวิตอยู่ในโลกนี่เราก็เป็นสิ่งหนึ่งในโลกเป็นสิ่งหนึ่งในเอกภพนี้ชีวิตมนุษย์ก็ถือว่าเป็นเป็นชีวะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละในโลกแม้แต่โลกลูกนี้ที่เราอยู่เนี่ยเราก็ ร, รู้กันอยู่ว่าในโลกโลูกนี้ทั้งโลกก็สารวจกันหมดแล้วไม่มีอะไรแม้ที่มันจะไปยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ได้และมนุษย์ก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจะสร้างแม้ที่สุดจะทำลายทำลายให้ศูนไปเลยคนอย่างพระพุทธเจ้าก็คิดคนพบ ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เยี่ยมยอดที่สุดที่สามารถค้นพบการการทําลายหรือการสร้างแล้วท่านก็ไม่ไปคิดสร้างอันอื่นก็สร้างการพัฒนาของชีวิตที่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งในโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่แหละให้เป็นชีวิตที่ดีที่สุดเราจะสร้างชีวิตของแต่ละคนรับผิดชอบตนเองแล้วตนเองจะเป็นช่าง เป็นช่างที่จะสร้างตนเองเนี่ยให้เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดมีคุณค่าที่สุดสบายที่สุดหรือพ้นทุกๆุกอย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรจริงๆและทำลายก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตที่มันวนเวียนเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มันมีวัตตะสงสาร มันมีการเชื่อมต่อมันมีการหมุนเวียนไปหมุนเวียนไปจนกระทั่งแม้แต่ดินน้ำมลมไฟนี่ก็หมุนเวียนไม่สูญหายไปไหนจังก์ก็ไอสไตน์เคยว่าไว้ว่าสสาราและพลังงานในโลกเนี่ยมันไม่สูญหายไปไหนหรอกมันก็หมุนเวียนอยู่ในโลกนี่แหละ นั่นก็เป็นปาฏผพู้หนึ่งอย่างไอสไตน์นี่ก็เป็นปาดผู้หนึ่งที่ค้นพบแต่เขาก็พบสิ่งที่เป็นวัตถุไม่ใช่ชีวะวัตถุก็เหมือนกันชีวะก็เหมือนกั น, นเป็นสิ่งที่วนเวียนไม่สูญหายไปแ ต, แต่พระพุทธเจ้าท่านสามารถที่จะค้นพบทางชีวะและสามารถทำให้มันสูญหายไปได้ด้วย อันนี้แหละเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีใครคนพบนักวิทยาศาสตร์ไหนก็คนพบไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าคนพบได้สามารถสร้างท่านรู้ความวนเวียนของชีวะโดยเฉพาะในชีวะมันมีธาตุเพิ่มจากดินน้ำลมไฟก็มีธาตุแห่งความว่างเรียกว่าอากาศสาหรืออากาศกับวิญญาณธาตุแห่งวิญญาณ วิญญาณนี่ไม่ใช่ว่ามีรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นปราชอ์อื่นๆที่เป็นศาสนาของศาสนาหลายศาสนาก็ค้นพบว่ามีวิญญาณหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ท้งวัตถุก็ยอมรับว่ามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจิตหรือเป็นวิญญาณหรือเป็นพลังงานบทบาทพิเศษอยู่ในชีว ะ, <c oughs> ะก็รับรู้สามารถรู้ได้ เป็นชีวะตั้งแต่ชีวะที่เกิดมาในเป็นเซลล์เซลล์เดียวจนกระทั่งเซลล์มากเซลล์ขึ้นเป็นชีวะเป็นพืชเป็นสัตว์ได้ร้อยชานจนกระทั่งเป็นมนุษย์ก็สามารถรู้ได้นะในวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อื่นๆนปราชญาอื่นๆก็รู้ได้พระเจ้าก็รู้ได้ และรู้ยิ่งกว่านั้นด้วยละเอียดละออจนถึงวิญญาณจนรู้ต้นเหตุแห่งวิญญาณวิญญาณแท้ๆคืออะไรวิญญาณแท้ๆจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเช่ดตนไม่ใช่สิ่งที่จะยั่งยืนถาวร อ, อะไรไม่เที่ยงแท้ถาวรเป็นอนิจจ์ด้วยซ้ำแต่มันมีอวิชามันมีความโง่มันมีตันหา มันมีอุปทานนี่ชื่อมาเรียกนี่เป็นภาษาทางเทคนิคเป็นเทคนิคข้เท็มนะเป็นภาษาทีเป็นภาษาวิชาการเขาเรียกว่าตันหาเรียกว่าอวิชชาเรียกว่าอุปทานเรียกว่ากิเลสอะไรพวกนี้แล้แม้แต่คาว่าจิตคาว่าวิญญาณก็เป็นภาษาทางวิชาการที่เรียกสภาพสภาพหนึ่งมันเป็นอย่างไร เราก็จะต้องค้นให้พบเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ออกมารู้เลยว่าอันนี้คืออันนี้แม้ที่สุดก็ค้นพบ ว, ว่านิวเคลียมเป็นอย่างนี้ประมานูปเป็นอย่างนี้แล้วก็หยิบจับมันมาใช้ได้เลยเอามันมารู้คุณค่าของมันแล้วเอามันมาประกอบนันมาประกอบนี่หรือว่าจะทําให้มันไปทําลายอะไรไปสลายอะไรอีกก็รู้ บทบาทหน้าที่การงานคุณภาพประสิทธิภาพอะไรของมันอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ค้นพบอย่างนั้นแล้วก็ศึกษาไม่ใช่ค้นพบโดยเดาๆค้นพบอย่างมีหลักวิชาที่จะมีวิธีการที่จะเข้าไปค้นพบเข้าไปรู้เข้าไปสัมผัสเข้าไปใช้พระเจ้าสอนให้พวกเราฝึกฝนตนเองเข้าไปรู้จักจิตจนกระทั่งวิเคราะห์กิเลสออกจากจิตอย่างดีอย่างเยี่ยม จนสามารถที่จะใช้จิตสามารถที่จะให้จิตที่มีพลังมีอำนาจมีประสิทธิภาพแข็งแรงอย่างไรหรือให้มันเป็นคุณภาพที่ดีอย่างไรเป็นจิตที่ขยันเป็นจิตที่อดทนเป็นจิตที่ปล่อยวางเป็นจิตที่รู้รู้อย่างลึกซึ้งและฝึกฝนให้รู้ลึกซึ้งขึ้นไปได้ อยู่ดีๆจะรู้เองมีใครบรรดาให้เรารู้ไม่ได้หรอกท่านคนพบ ว, วัตฏสงสารว่าแม่ต่นจนจวิญญาณนี่คือสามารถพัฒนามามาได้จริงๆแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชา ต, ต, ชา ต, ต, ชาติมันจะมีความเชื่อมโยงต่อกันไปอีกสังสมเรียกว่าวิบากวิบากที่จริงภาษาบาลีเนี่ยวิปากะหรือวิบาก น, น่แปลว่าผลสังสมผล เพราะมันเกิดจากเหตุที่เราเองเราทำเราฝึกตัวเองให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนอดทนมันก็จะเป็นวิบากเข้มแข็งอดทนฝึกขันให้เราเป็นคนอ่อนแอมันก็จะอ่อนแอฝึกขันให้เป็นคนหนักเอาเบาสู้มันก็จะหนักเอาเบาสู้ฝึกขันให้เป็นคนล่องแหลงเลาะและหลีกเล่นไม่เอาทานไม่เอาการไม่เอางาน มันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆใครฝึกอะไรได้อันนั้นจริงๆฝึกเรายิ่งเราเรียนรู้เพื่อที่จะควบคุมวิธีการของพระอาจารย์ในท่านเรียกว่าวิธีการของสัมโพธชงสัมโพธชงแปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้องค์แห่งการตรัสรู้คือองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดความรู้ที่รู้ยิ่งตรัสรู้นี่เป็นความรู้ที่เหนือชั้นกว่าการรู้ธรรมดา ถ้าจะอธิบายความขยายอีกก็คือรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณเป็นครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณเป็นาศาสดาทางจิตวิญญาณแล้วแะและ้วได้สอนสอนมีทฤษฎีมีตำรามีหลักวิชามีผลอะไรก็อธิบายบอกไว้หมดบอกไว้จนเกลี้ยง จนพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระสาวกบอกไว้ว่าเราบอกพวกเธอหมดแล้วเหมือนกำมือที่แบ่บอกหมดแล้วเหมือนกำมือที่แบไม่เหลืออะไรแล้วให้ไว้หมดแล้วใครรับได้อะไรก็รับเอาไว้แล้วท่านก็ให้ไว้ก็มีผู้รับได้มีพระสาวกที่มี ม, ม, ม, มีมีปฏิพานปัญญา มีความสามารถเรียนรู้รับเอามาแต่ล ะ, ะแขนงวิชาแต่ละส่วนที่จะถนัดส่วนที่จะชำนาญหรือว่าส่วนที่จะมีจริตที่จะรับอะไรอะไรไว้ได้ก็รับไว้คนละส่วนคนละอย่างจนครบจนหมดแล้วก็นำมาถ่ายทอดสอนต่อเป็นสายสายใครถนัดอะไรก็เหมือนกับพวกเรา มันก็คนทั่วไปคนนี้ถนัดวิชาช่างคนนี้ถนัดวิชาศิลปะคนนี้ถนัดวิชากิจกรรมคนนี้ถนัดวิชานวมวิชานี่อะไรก็บแบ่งกันไปมันจะชอบหรือมันจะถนัดก็เอารับไว้ก็จนครบแล้วก็สืบทอดกันมาจนทุกวันนี้แม้ทุกวันนี้ก็ยังสามารถเราเรียนวิชานี้ได้อยู่และเอามาพิสูจน์ผล ผลก็คือเป็นคนประเสริฐที่จะสามารถสร้างเป็นคนสร้างที่ดีก็คือเป็นคนยังกุศลใ้ถึงพร้อมไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วทั้งปวงเป็นคนที่มีกำลังจริงๆและมีมีทารู้มีปัญญาที่รู้ว่าอันนี้ไม่ดีไม่ทำซึ่งคำว่าดีกับคำว่าชั่วนี่นะ ฐานะบุคคลก็ดีต่างกันนะถ้ายัางเป็นปุตุชนหรื อ, อยังเป็นคนหยาบหยาบต่าๆอยู่นี่ mm hmm. เขาก็บอกว่าเขาได้ไปเล่นไพ่นี่ดีมันสนุกดีมันมันดีและมันก็เป็นการท้าทายความสามารถดีนะเล่นไพ่นี่ที่จริงเล่นไพ่นี่มันก็มีการโลภอยากได้กับพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถเอาชนะ สามารถที่จะเก่งไหมนั่นแหละสรุปไ ง, ไง่ายๆจะเก่งไหมในเรื่องนี้แข่งขันกับเขาสู้กับเขาเราชนะเขาเรามีวิธีการทุกอย่างหนักเขา้าอย่าว่าแต่วิธีการธรรมดาเลยวิธีการโกงด้วยมีคนลเม็ดเด็กพรายอะไรก็แล้วแต่จะสามารถเอาชนะค้าขานก็ได้จะทําอะไรก็แล้วแต่จะเล่นไพ่จะเล่นกีฬาจะเล่นหรือว่าจะจริง จริงก็ได้ทํางานที่เป็นสาระเขก็เรียกว่าจริงทํางานที่ไร้สาระเาก็เรียกกระเล่งการละเล่นภาษาบาลีเรียกว่ากีฬาถึงเป็นเรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่จะมีคุณค่าอะไรหรอกจนเดี๋ยวนี้ก็เอามายิ่งมาใหญ่กีฬานี่ครองโลกเลยยิ่งใหญ่กันมากลงทุนลงร้อนกันเป็นกิจจลักษณะเอาแข่งขันกันเอาเก่งเอาชนะก็ใดดังในชื่อเสียงถึงโลกโลกีก็ไม่ได้เรียนรู้ เรื่องโลกธรรมลาบยศสันเริญโลกียะสุกอะไรพวกนี้เขาได้เรียนรู้กันอย่างจริงจังแล้วเขาก็ไม่ไม่พยายามที่จะเข้าใจแล้วเพื่อที่จะไม่ต้องไปเอารัดเอาเปรียบไม่ต้องไปโกงไม่ต้องไปทุจริตอะไรกันในเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะสร้างสรรเป็นคนมีลาบมากคนสร้างมากที่พ้นได้เกิดขึ้นก็เรียกว่าลาบลาบโดยธรรมด้วยขยันหมั่นเพียรสร้างสรรมีความสามารถมีความรู้ มันก็สร้างขึ้นสิมันก็เป็นลาบโดยทำเป็นสิ่งที่ได้โดยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ในสิ่งที่เราสร้างนี้ด้วยไม่มีใครจะมาตู่มาโกงได้ไม่ว่าชาติไหนก็ต้องรู้แล้วก็สร้างขึ้นยศหมายความว่าอำนาจของตำแหน่งหน้าที่เรามีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจในตำแหน่งหน้าที่หรือในความสามารถที่เราพึงทำถนัดอะไรเราก็มีหน้าที่อันนั้นก็ทำไปสิ คุณจะยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่เพราะคุณสามารถมีประสิทธิภาพในสิ่งนั้นในพฤติกรรมนั้นในงานนั้นในกิจการนั้นในความรู้อันนั้นคุณมีจริงๆคุณทําไปเลยเนคนอื่นก็มายอมรับนับถือเขาก็จะเป็นลูกน้องเป็นลูกมือคุณก็จะให้เขาสืบ ข, ขัดเขาสอนเขาแนะนําเขาให้เขาหัดทําตามเหมือนอย่างที่เราเก่งเราสามารถเราดีคุณก็คือพูดเป็นตําแหน่งเป็นยศนั้น นี่โดยทําเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี้ยคนไหนไม่เก่งกับโมเมเรียนมาทางนี้ถนัดทางนี้เอาไปกินตําแหน่งนี้ทั้งๆที่ทไม่ค่อยรู้เรื่องเอาส่งกันไปอะไรเลเอะเทอะไปหมดเดี๋ยวนี้ลดตําแหน่งหน้าที่การควบคุมการรับผิดชอบอะไรไปกันใหญ่โดยทําโดยสัจจะเราก็มีตําแหน่งมีหน้าที่ของแต่ละคนถ้าเป็นคนที่ไม่ดูได้เป็นคนที่ไม่ใช่เหมือนอย่างศา ส, สนาฤรืี ให้เป็นนั่งหลับตาเป็นเบอร์วันวันก็วางปล่อยเลิกไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรหลับตาสะกดจิตหิวขึ้นมาก็ลืมตาก็กินรัตนทะิที่นั่งหลับตาแล้วก็บินตาบ่าก็มีนั่งหลับตาแต่วันวนี้ศาสนาพุทธเมืองไทยก็เช่นจะเป็นอย่างนั้นแล้วบําบวดเป็นพระก็คือจะมานั่งหลับตาสะกดจิตที่มันดับวางเลิกหยุดนิพพานคือไม่คิดอะไรไม่มีอะไรว่างๆแต่แล้วถึงได้เวลาก็ออกไปบินตบาาได้ขา่าวได้นาวเนี่มันก็กิน กินแล้วก็นั่งเป็นวิชาการที่ไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีประสิทธิภาพศาสนาอย่างนั้นมีมาก่อนอุปราชท่านเกิดอาลานดาบทอุทกดาบทอะไรเป็นต้นเขาก็สอนโพรุศีแบบนั้นของพุทธไม่ใช่อย่างนั้นนะของพุทธนั้นมีประสิทธิภาพคนมีประสิทธิภาพมียศโดยธรรมมีลาบโดยธรรมมียศโดยธรรมมีสันเริญโดยธรรม ฉันเสริญได้รับความนิยมนับถือยกย่องเชิดชูถึงขั้นบูชาบูชาได้น่มีแต่ว่าจิตใจพวกเราเรารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เรียนรู้จริงๆไม่ต้องไปเกิดจิตเกิดใจต้องจ่ายครรี่มีพลังงานว่าแหได้ลาบมาสมใจทำได้สร้างอะไรสมใจหรือยิ่งเขามาซื้อมาหาได้แล้วสร้างอันนี้ได้แล้วอย่างที่อาตมาเคยอธิบาย สร้างอะไรได้สิ่งหนึ่งแล้วเอาสิ่งนี้ไปให้คนอื่นแล้วก็ไปคิดราคาคิดโกงโกงราคาเอามาให้มากกว่าทุนโลโมโทสารให้มากได้เท่าไรก็ยิ่งดีใจฟูใจชื่นใจจิตใจก็ยิ่งพองดีอกดีใจไ อ, อ้ยังงั้นยิ่งผิดใหญ่เรถือว่านั่นลาบลาบของเรายอดตาแหน่งก็ อธิบายก็ไม่ออกเลยยศตําแหน่งใครมีความสามารถอะไรอย่างที่อาตมากล่าวแล้วก็กพอรู้ๆแต่ก็กลายไปเป็นยศก็คือเขาตั้งเขาตั้งให้เราใหญ่ตรงนี้กลายเป็นเงนั้นไปนเลยยศเขาตั้งตั้งเป็นเจ้าบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลอันนั้นตั้งให้เป็นผู้ควบคุมดูแล ท, ทั้งที่ไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ ซื่งมันก็ผิดแต่ถ้าถูกก็คือผู้มีความรู้มีความสามารถนะก็ตั้งให้ไปดูแลอันนั้นกระทางานอันนั้นรับผิดชอบอันนั้นอันนั้นก็ถูกนะแต่แล้วก็คนน้อยทำได้ดีเท่าไหร่ก็ตั้งลําดับกันเก่งเท่านั้นเท่า น, นี้ก็เอาค่าตัวเอาค่าแรงอะไรไปให้ค่าตัวให้ค่าแรงแต่เดิมนะผู้ใหญ่บ้านก็ไม่มีเงินเดือนนะหมู่ในหมู่บ้านนี่รู้กัน เออใครดีผู้นี้เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเป็นผู้ที่น่ารักเคารพนับถือมีความสามารถพึงพาใส่กันไดน้ก็ไปเป็นผู้ใหญ่ของบ้านก็เรียกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรหรอกมีเกียรติรับผิดชอบเอาภาระดูแลเป็นที่พึงพาของหมู่บ้านเพราะเป็นผู้ใหญ่ช่วยคิดช่วยนําพาหรือว่ารับใช้ทดแทนนะไปช่วยเหลือเฟอืฟ่องฟายก็มีความสามารถเป็นความรู้สามารถ ช่วยเหลือเฟอือฟายลูกบ้านได้หรือว่าคนในย่านนั้นกลุ่มนั้นสังคมนั้นสามารถเป็นผู้ที่จะพึ่งพาอาศัยได้เขาก็ย่อยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใดมีความสามารถจริงเป็นผู้ใหญ่จริงก็มีประโยชน์คุณค่าต่อคนกลุ่มนั้นโดยสุยทธิิตใจไม่มีเงินดาวเงินเดือนหรอกจะได้รับความนับถือบูชาเคารพเพราะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อหมู่บ้านอย่างนี้เป็นต้น นี่โดยสัจจะแต่เดี๋ยวนี้เอาไปเอามาก็กลายเป็นเรื่องสร้างอำนาจสร้างซับสริงคารสร้างอะไรอะไรอย่างโลกโลกไปหมดเลยสังคมเลยเห็นแก่เงินทองเห็นแก่อำนาจยศศักดิ์เห็นแก่ความโดงความดังแล้วก็หลงในความสุขโลกียสุขที่ได้มาเสพสมมาสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยมีแต่สแสวงหาเพื่อที่จะ มีความสุขคือจะต้องได้เสพสมใจได้ลาบมาสมใจก็สุขได้ยศมาสมใจก็สุขยิ่งใหญ่เท่าไรก็สุขอำนาจบาดใหได้มากเท่าไรก็สุขได้รงดังสรรเสริญเยินยอยกย่องจะถูกจะผิดไม่รู้จะดีจะงามอะไรไม่รู้อก้อยมันดังอย่างเดียวกัเลยหลงดังกันเดี๋ยวนี้อย่างที่อาตมาอธิบายไปเมื่อวานนี้คร่าวๆดังด้วยความลามกจกเปรตอะไรก็เอาดังด้วยความพิรุษพิเรนอะไรก็เอา รอให้ดังแล้วก็ดังก็มีคนมารับช่วงเลยนะถ้าดังแล้วเขาก็มาจ้างซะอีกนะ่ะไปเป็นพรีเซนเตอร์อย่างที่ว่านี่ไปเป็นผู้ที่จะเสนอสินค้าของเขาไปเป็นผู้นำพาสินค้าเขาออกขายได้เลยไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้จะดังอะไรก็ดังได้แล้วก็นำพาให้ตัวเองเป็นอยู่อย่างได้เงินเงินตัวเดียวเป็นริทใหญ่เลยเป็นแก้วสารพัดนึก วันอะไรจะเป็นทางมาได้ได้เงินแล้วจะใหญ่ทั้งนั้นมีเศษวิเศษโศไปหมดได้มาด้วยอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่อแล้วก็หาวิธีการเชิดชูกันยกจ่องกันเพื่อที่จะมาเป็นตัวเด่นตัวเงินตัวทองพูดมาถึงตัวเงินตัวทองแล้วรู้จักไหมเขาเรียกตัวอะไร <c oughs> บางคนไม่รู้นั่งเด้อเดอรู้ไหมตัวเงินตัวทองเขาเรียกตัวอะไรรู้ไหมฮะ ไม่รู้จริงๆอะ่ะสาบเข้าตัวเงินตัวทองเนี่ยไม่รู้จริงๆกัเหรอใครรู้บ้างยกมือสิเขาเรียกตัวอะไรตะกวดเหรอฮีแอตต่างหากเราเป็นเรียกเลี่ยงตะกวดเนอะอีกอีกมันอาจจะเป็นสปีซี่เดียวกันนะแต่ว่ามันมันมันมันมันมีแยกแยกมันอาจจะเป็นฮะ เออเรัมอสปีซีเดียวกันแต่ว่าคนราไฟรัมมันคนแมมอัตมาก็มันก็จะถนัดบางทีก็สับกันนะภาษาไทยภาษาฝรั่งมันมันอะไรกันแน่นั่นสิครับมังงงมันไฟรัมเดียวกันนะภาษาไทยว่าไงกันบ้างเอาละผ่านไปนะมันนักชักก็ในนั้นคือมันอาจจะหมู่เดียวกันหมวดเดียวกันตระกูลพันธุ์เดียวกันแต่ว่าแยก พันพันแตกแขนงไปหน่อยเช่นว่าพันคนนี้เป็นตน้นก็คนแต่ว่าก็ยังแยกคนในตระกูลต่างๆไปอีกนะหลายๆตระกูลนะตระกูลพวกเรานี่พวกอาพวกอะไรไม่ใช่ฮะมงโกมงกนพวกมงโกมงคลอยนะพวกมงโกลอยพวกอื่นก็จะมีพวกอะไร พวกคอเคเซียนพวกอฮะนี่กรอยพวกอะไรอมีอีกหลายเผ่าหลายตระกูลใกล้กันตระกวดกล้เฮียมันก็มันก็ใกล้กันนะจะเรียกว่าตระกูลเรียกว่าพันุเรียกว่าอะไรก็ว่าไปมันมันก็อันนึงแต่มันแยกกันไปมันคล้ายกันพวกคําที่เขาเรียกกันภาษาไทยเขาเรียกว่าพวกตัวเงินตัวทองเนี่ยก็เรียกตัว เขาเรียกเฮียตัวเงินตัวทองฟังแล้วพูดไปพูดมาวนไปถึงต่ำเพราะก็กลายเป็นตัวเงินตัวทองนี่กลายเป็นคนที่ทำเงินทำทองนี่นะเอาหมดก็สมมุติกันไปแต่ก็ชอบเงินแพงๆก็ซื้อสามารถซื้อเพื่อมาประดับเป็นสุขได้รับรถความพอใจเปลืองเปล่าพลานพลาเสียเวลาเสียทุนรอนเสียแรงงาน แรงทางกายแรงทางความคิดอมันก็เป็นชีวิตที่เปลืองเปล่าเกิดมาชาติหนึ่งทุนรอนเก่เาไปลงทุนในเรื่องที่เราติดยึดอุปทานอะไ ร, เ พ, เ, รเพื่อเสวยเพื่อเสพ่ามันเป็นสุขหลงว่าเป็นสุ ข, เ, สขเอามาเสพสมสุขสมได้อะไรมาสมใจอะไรก็เป็นสุขไปหมดเมื่อมาเรียนรู้สัจธรรมดีๆแล้วถ้าเรารู้จักสาระแก่นสารแล้ว แล้วก็ทําตนให้เป็นผู้ที่เป็นไปได้จิตวิญญาเนีเข้าใจก่อนแล้วก็ฝึกฝนให้มันได้ตามความติดยึดอุปทานที่เรียกวอุปทานความติดยึดอย่างนั้นความเป็นตัณหาอย่างได้อย่างนั้นความเป็นกิเลสความโง่เงากิเลสก็คือตัวโง่เงาตัวที่หลงไปต้องผลักต้องดูดอยู่อย่างนั้นแหละเรียกว่ากิเลสแล้วก็มาเรียนรู้ความจริงซะเนี่ยแตมาพูดสรุปสรุปนะ จนกระทั่งเราฝึกฝนเป็นคนสามารถสร้างสรรค์ได้จริงรากก็เกิดจริงเป็นคนมีลาภเพราะเราเองสร้างสรรค์เป็นคนไม่งอมืองอเท้าขยันมันเพียรแต่ละวันแต่ละวันอดทนแข็งแรงมีฝีมือมีคุณภาพมีประสิทธิภาพจริงๆด้วยมีความรู้มีความสามารถแล้วก็สร้างสร้างอย่างที่เรียกว่าไม่แลกอย่างที่อาตมาว่านี่สามารถสร้างขึ้นมาโดยสัมมาอาชีพสร้างแล้ว ไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนเอาอะไรตอบแทนคืนมาลาเพนะลาพังนิ ช, ชิกิงสนตาไม่ต้องเอาอะไรละแลกกันลาบแหลกลาบไม่ต้องเอาอะไรแลกอะไรให้เขาได้ฟรีเลยจะเป็นวัตถุก็ให้วัตถุเป็นแรงงานก็ให้แรงงานเป็นความรู้ก็ให้ความรู้ไม่ต้องคิดค่าความรู้ไม่ต้องคิดค่าแรงงานทางกายทางสมองไม่ต้องคิดใครเขาจะให้ตอบแทนไม่ให้ตอบแทน เลิกเลิกคิดพูดจะให้ตอบแทนแต่ถ้าคนที่จะตอบแทนบุญคุณคนเป็นคนดีไหมดีไหมคนที่คิดตอบแทนบุญคุณคนก็ดีเพรา ะ, ะนั้นเราเองเราต้องเป็นคนที่ต้องรู้จักบุญคุณคนแล้วก็ตอบแทนบุญคุณคนมันเรื่องดีคนที่เขาทำประโยชน์ให้แกเราเราไม่ตอบแทนเขาไม่เกื้ ก, กูลไม่ ไม่มีผลประโยชน์อะไรแม้แต่ธรรมดาก็เป็นหนี้โดยสับธรรมดาก็คือเป็นหนี้เขาให้เราเราไม่ให้เขาตอบมันก็เป็นหนี้อยู่แล้วถ้าเราได้ให้เขาโดยเขาไม่ให้เราตอบเราก็เป็นเจ้านี่เป็นเจ้านี่ก็เป็นลูกนี่อะไรดีเป็นลูกนี่ดีนะมีเครดิต <c oughs> อ่อาอะละก็แย่งไม่ได้คนจะ แ, แย่งนะจะดำนามแย่งกันนะ เป็นลูกหนี้ดีมีเครดิตนะถ้าไม่มีเครดิตเป็นลูกหนี้ไม่ได้หรอกนี่เป็นลูกหนี้ร้อยล้านนี่เขาให้เลยนะนี่เขาเชื่อถือนะแล้วเราก็สามารถมาสอกสอกสอกหาตังค์ร้อยล้านในแค่นี้เขาได้เขาทำสิสมัยนี้เขาเครดิตเก่งๆเขาก็ทําพยายามเป็นคนเป็นลูกหนี้ที่สามารถอ่าสมัยโบราณเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ดีเดี๋ยวนี้เขาเป็นเจ้าหนี้ไม่เก่งแล้วเป็นลูกหนี้เก่งนะให้ธนาคารเถอะเป็นเจ้าหนี้ เราสามารถธนาคารนี่ยกโทรศัพท์โปนโปโ ป, โปนี่ขอสักพันล้านสิเทเ้ตามทวงนี่มันยุ่งแต่เป็นลูกหนี้นี่ไม่ต้องไปตามทวงหรอกเป็นลูกหนี้เขามาตามทวงเองยิ่งใหญ่กว่านี่มันคิดกลับกันไปหมดได้แต่ที่ถูกที่ต้องแล้วโดยสามัญเรคงคิดออกว่าเป็นเจ้านี่มันดีกว่ามันเป็นเป็นความยิ่งใหญ่กว่าเป็นลูกหนี้ใช่ไห เราก็เป็นเจ้าหนี้ฝึกตนเป็นเจ้าหนี้หรือฝึกตนเป็นผู้ให้เป็นผู้มีคุณค่าเหลือจะเป็นเจ้าหนี้ข้ามชาติไปอีกกี่ชาติก็เป็นไปสิไม่ต้องไปทวงเข้ามาคืนหรอกคนดีเขาก็ตอบแทนบุญคุณคืนคนไม่ดีเขาไม่ตอบแทนบุญคุณก็เป็นสัจจะคนไม่ดีเขาไม่ตอบแทนบุญคุณไม่ไกระตันยูไม่กระตุกระตันยูกระตะเวทีก็ไม่เป็นไร เราก็ไม่ต้องไปติดยึดอะไรถ้าเราร่ำรวยพอเราเป็นเจ้านี่พอเป็นคนมีบุญมีคุณมากแล้วเราก็เป็นคนกินน้อยใช้น้อยเป็นคนไม่เปลืองไม่พลานไม่เป็นหลงในโล ก, กียสุขอะไรมากมายชีวิตเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็ไม่มีปัญหามีสันโดษมีความพอง่ายๆชีวิต ง, ง่ายๆกินใช้ง่ายๆไม่ต้องหมากขวงไแต่เรามีประสิทธิภาพมากประสิทธิภาพสูง สามารถสร้างสรรค์แจกจ่ายเจอยจานโอโหเป็นเจ้านี้เป็นเจ้ า, จาบุญเจ้าคุณแต่อย่าเป็นหลงตัวเองว่าเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณมันเป็นมานะทีพ่พระเจ้าสอนไม่หมดมานะสังโยชน์ความหลงตัวใหญ่หลงดีตนเองแล้วก็ไปแบ่งไปข่มไปทวงหนี้ทวงบุญทวงคุณเขาไปติดยึดตัวเองว่าตัวเองดีตัวเองดีก็ไม่ต้องท้อมตัวเองเป็นตัวเป็นตนไม่ต้องนึกว่าเราเองนี่มีดีแล้วก็เอาดีนี่ไปเท่เล สร้างอิทธิพลอะไรไม่ต้องสร้างดีทําดีไปไม่ใครจะเห็นว่ามันเป็นอิทธิพลแล้วไม่เป็นอิทธิพลมันก็เกิดเองของมันด้วยสัจจะซับซ้อนลึกซึ้งอัตมาพูดไปอีกมันจะยิ่งซ้อนซ้อๆซอนซ้ก็คงจะยิ่งเข้าใจยากก็ ข, ขอตัดไว้แค่นี้นะสรุปแล้วชีวิตเกิดมานี่มันก็เพื่อมาเรียนรู้เพื่อมาศึกษาบอกแล้วแล้วก็เพื่ออบรมฝึกฝนตนให้เป็นคนที่ เข้าใจอะไรได้ดีแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักติดรจัยึ ด, ยดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่มีพลังไม่มีความปรารถนาดีไม่มีความต้องการเป็นคนเฉยเฉยเฉยเยไม่ใช่มีความปรารถนาดีมีความมุ่งหมายดีมีความต้องการดีสร้างดีโดยไม่ต้องเอามาบำเรอตนเอามาสนองอารมณ์ตนไม่ต้องเลยฝึกเข้าไปเธอแล้วจะเป็นคนที่โอ้โหวิเศษ จนกระทั่งไม่เหลือตนไม่เห็นแก่ตนไม่เหลือตัวไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่มีแตเห็นแก male, ่ผ an ู้อื่นเห็นทุกข์ของผู้อื่นช่วยเหลือผู้ที่เป็นทุกข์โดยตนเองเบิกบานแจ่มใสสบายยิ่งอย evet. ู uh ่กับหมู่ที่มีทฤษฎีเดียวกันมีหลักการเดียวกันยิ่งอยู่กับหมู่ที่มีทฤษฎีเดียวกันมีหลักการเดียวกัน มีความเห็นตรงกันเลยว่าเป็นพวกที่มีศีลสามัญตามีทิฏฐิสามัญตามีหลักการของสังคมชีวิตเหมือนกันศีลสามัญตามีความเห็นความเข้าใจมีปัญญาจอดครองกันเลยว่ามีทิฏฐิสามัญตาก็ยิ่งจะอยู่ด้วยกันอย่างมีระบบมีจารีตมีประเพณีมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมมีกิจกรรมมีพิธีกรรมอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ในชาวอสูงในเรามีมีพฤติกรรมอย่างนี้แหละมีกิจกรรมหรือมีกิจการอย่างนี้แหละอย่างบุญนิยมมีพิธีกรรมอย่างนี้แหละเป็นชามากก็สวดมนต์สวดอย่างนี้มีพระบารีมีนําแล้วก็สวดหน่อยเรามีบทสวดมากกว่นี้อยู่แต่ว่าพาสวดพราคุณจะสวดแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เล่านั้นแต่ก็ไม่สวดมากนักหรอกแต่เราเรียนที่เราสวดก็คําสวดเป็นคําเรียกว่าประนามาคาถาเป็นคําที่ยกจ่องเชื่อชูบูชา ประนามเนี่ยแปลความหมายได้ทั้งสองอย่างประนามแปลว่าอะไรรู้ไหมพวกคุณเข้าใจอ่ะนะประจานดูถูกดูแคลนประปนามแต่ที่อาตมาพูดนี่ประนามมคาถาแปลว่าคําคาถาที่ประนามมคาถาพระพุทธพระมพระสงค์ไม่ได้มาประจานไม่ได้มาดูถูกพระพุทธพระมสงฆ์นะยกย่องเชิดฉาประนามแปลว่ายกย่องเชิดฉาบูชา ประนามแปลได้ทั้งสองอย่างเนี่หยหลายๆลอย่างคําที่จริงแล้วคําภาษาเนี่ยจริงๆแล้วคนเราได้ใช้จนกระทั่งเป็นทั้งสองอย่างพอถึงเวลามันพลิกกลับมันก็จะเอามาใช้อย่างหนึง่งเวลาพลิกกลับเอาใช้อย่างหนึง่งคล้ายๆกันดีกับชั่วเนี่ยดีมีข้อหมายอย่างหนึง่งชั่วเป็นข้อหมายอย่างหนึ่งพราะมันพลิกกลับแล้วทุกวันนี้รู้ไหมว่าดีเนี่ยเกือบจะแปลว่าชั่วชั่วเราไปแปลว่าดี เดี๋ยวเนี้เกือบแล้วกงจักรแปลว่าดอกบัวดอกบัวแปลว่ากงจักรเดี๋ยวนี้คนเราไม่รู้เรื่องมันสับสนอย่างนี้นอัตมาพูดไปมันยิ่งจะซับซ้อนมันยิ่งจะลึกปรเดี๋ยวครูจะยิ่งเมายิ่งจะงงเพราะ อ, อัตมาก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะสรุปจบเพื่อที่จะได้ตอบปัญหาเอาใครมีปัญหาแล้วอะไรต่วใดก็เอามาส่งได้นะเดี๋ยวจะมีถามสดด้วยเดี๋ยวเอาไมโครโฟนนั้นก็ถอดไม่ ไ, ได้นี่ถอดยื่นมาอยู่นี้อันหนึ่งอยู่ใต้นี้นี่อันหนึ่งเราหยิบไปใครจะถามสดตัวใดเอาไมโครโฟนนี้ถามเลยใครมีปัญหาที่เขียนแล้วก็เอามาเลยส่งมาได้นะเอาอาตมาก็สรุปไปพลางกว่าจะได้ปัญหา เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องควรเรียนรู้ทั้งนั้นน่โดยเฉพาะยังไม่ได้รู้มาก่อนรู้มายังไม่ละเอียดรู้มายังไม่ถูกตรงรู้มายังไม่เป็นสมาธิธิก็ฟังไปอาตมาว่าอาตมารู้ถูกต้องเรอรู้สมา ธ, ธิิเชื่อว่าเช่นนั้นนะอาตมาก็มาเปิดเผยมาแจกจ่ายสู่กันฟังยืนยัน อาตมาก็ยืนยันนะว่ามันถูกต้องเช่นว่าอาตมาเองอาตมาเป็นคนธรมหา ก, กินมีเงินมีทองอยู่ได้ถ้าอยู่ทั้งโลกอาตมาไม่กลัวหรอกหาเงินแข่งกันนะถ้าจะติ่จริงอาตมามันมาทางนี้ตั้งแต่ก่อนจะมาทางนี้เนี่ยมันอยู่อีกทางหนึ่งซึ่งเขาว่ามันอยู่ทั้งโลกมายาเป็นพวกดาราเขาเรียกว่าพวกอยู่โลกมายา ซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกนะครับคนไม่ค่อยเป็นคนคงแก่เรียนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องวัฒนธรรมาศาสนาอะไรนักหนานะอยู่ในโลกอย่างนู้นเขาถือว่าเป็นโรคที่ห่างกันนะโลกมายาเนี่ยพวกแม่ทำกระดิกกะดีอะไรอะไรพวกนี้นะเสนอจ้าจ้ จ, จ่าอะไรพวกนี้มันเหมือนกับสิ่งที่เสแสร้งปลอมแปลงเป็นนักแสดงเป็นนักพูดกับพูดอย่างให้ดีๆเพราะเพราะ ผู้อย่างเอาเอกเอาใจคนอื่นอะไรเนี่ยมันเหมือนกระแสแท่งแต่ทางด้านศาสนามันจะต้องเป็นเรื่องเนื้อจริงเป็นความเป็นจริงซึ่งมันตรงกันข้ามกันคนจึงงงว่าอะไรกันเนี่ยดูในจอโทรทัศน์โดดออกมาเป็นนักธรรมะใครเคยจะไปเชื่อและนักธรรมะไม่ได้เล่นธรรมะธรรมดาแล้เล่นธรรมะปรามาจารย์เป็นธรรมะในระดับเรียกว่าปวดอุตริมนุสธรรมกันเลยลเราบอกเราบรรลุธรรมอ่า เป็นพระอริยะนั่นไงเขาถึงหาว่าอาตมาเป็นพระอริยะอะไรพระอริยะอะไรสมัยอะไรเป็นาศาสดามหาภัยเป็นอริยะอะไรเขาว่าอะไรคำนะฮะอริยะยุคจรวดอย่างนั้นหรือ ม, มีคําอื่นไหมอริยะอะไรแต่เศษาศาสดานาศาสดามหาภัยคำประชดของเขานี่ยนะเพราะอาตมาเอามาประกาศ ออกมายืนยันมันก็น่าตลกออกมาจากจอมายาออกมาจากพวกที่เรียกว่ามันดัดจริตปรุงแต่งเสแสร้งกิริยาท่าทางกรรมต่างๆอะไรเนี่ยมันพวกนักแสดงเขาจริเรียกนักแสดงไม่ใช่นักเป็นจริงเป็นนักแสดงไม่ใช่นักเป็นจริงแล้วแกมาพูดถึงเรื่องที่เป็นจริงเอาที่เรื่องเป็นจริงยืนยันจริงจจังๆเลยเขาก็ว่าก็คนอย่างนั้นมาทําอย่างนี้มันคนละทัศนโลกกัน สิ่งเหล่านี้มันมีเรื่องที่น่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะพูดกันนักหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเรียกว่าอาจินใจเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่คิดได้ยากตามเห็นตามรู้ตามเข้าใจได้ยากมันมีอยู่อาตมาก็พูดบ้างสําหรับบางกาละบางหมู่บางกลุ่มบางคนที่พอขยายอะไรให้กันฟังได้ แต่จะพูดเปิดเผยหรือว่าพูดอะไรกันไปทั่วๆเล่นๆหัวหวมันเดะเทะมันไม่ได้เรื่องแนละ้วมันก็เข้าใจยากเนะีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซับซ้อนที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องพิสูจน์พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าดําปุ๊บขาวปั๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนจะต้องแน่จริงๆนะอยู่ๆปับ๊บนะเดินอยู่ดีๆตีลังกาหัวเดินต่างตีนเนี่ยโอ้โหไม่ใช่คนเล่นๆนะ น, นี่พูดให้เข้าใจใง่ายๆให้ฟัง พเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่แสดงอะไรอันหนึ่งที่คนเข้าถึงจะจะเข้าใจาเหมือนกับคนที่อยู่ๆก็ไม่เห็นจะหน้าเลยเห็นดูก็งโง่เซ่อๆพุบพับไม่เป็นอัจฉริยะมาได้นี่เฮ้มันไปยังไงมาไงไม่เชื่อก็เห็นเซ่อๆโง่ๆอยู่ดีๆแล้วจะมาแสดงอริยะอัจฉริยะอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ไม่เชื่อคล้ายๆอย่างนั้นนะ แต่มันเป็นไปได้โดยจริงเมื่อถึงครั้งถึงคราวรือผู้นะั้นมีสภาวะจริงนะอัตมาเอ ง, เ อ, งอยู่ทั้งโลกไม่ได้สอถึงความที่จะมาเข้าใจอะไรเฉลียวฉลาดหรือว่ามีอะไรอะไรขนาดนี้หรอกนะอยู่ทั้งโลกก็เป็นอย่างนั้นแหละไปในทางศิลปะจะส่วนใหญ่ไอศิลปะมันไม่ได้สอนถึงความฉลาดเท่าไหร่แม้แต่แสดงผลงานทางศิลปะก็ไม่ได้สอถึงผลงานทางศิลปะเลิศลอยได้รับรงวีรางวัล โอ้อาตมานเนี่ยพยายามจะประกวดประกันเลยเขานะอาตมา น, นี่เป็นนักร้องรุ่นสุดเทพเกิดปีเดียวกันนะ่ยสุดเทพมาด้วยกันบุกเบิกมาด้วยกันนะ่ะตั้งแต่หัดร้องหัดอะไรกันในคันมานเคยตั้งวงด้วยซ้าไปวงดนตรีมีเพื่อนนักร้องในการร้องสามคนแล้วก็ตั้งวงดนตรีบอกวงแต่ก่อนมันวงกระจกกระจอกแล้วมันไม่เหมือนสมัยนี้ แล้วก็ออกวิทยุวิทยุก็มีอยู่สองแห่งในประเทศไทยออกรายการวิทยุอะไรเงี้ยตั้งคณะชื่อคณะเทพวิชุอัตมาเอาชื่อคำนำส ก, กุลของอีกเพื่อนอคนหนึ่งเป็นนักร้องด้วยกันบรรลพวิชุกรสุเทพบ่งกาแหงอัตมาก็เลยเอาชื่อเจ้าเทพในการนำส ก, กุลของวิชุกรของอีกคนมาตั้งเป็นเทพวิชุเป็นชื่อคณะเทพวิชุอัตมาจัดแจงเองหมดแหละเป็นผู้ทําหมด จัดเพลงจัดการพวกนั้นมีหน้าที่รอ้องอาตมาร้องด้วยบางบางครั้งบางคราวนะเขามีหน้าที่ร้องมีหน้าที่อาตมาทําอะไรให้อาตมาก็ทําเองหมดบรรยายบรรย่ยมีอนุนินียแสดงอะไรใดก็อาตมาก็จัดแจงหมดเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นทั้งดเรกเตอร์เป็นทั้งซิงเกิลเป็นทั้งคอมโพเซอร์นักแต่งเพลงเองเสร็จนะมีนักร้องหญิงนิรมล อิสรางกูลประจำอยู่ตอนนั้นไอ้คนอื่นก็มีอีกหลายคนเยอะแยะนะในเรื่องของนักร้องอาตมาก็ร้องมาร้องเพลงมานะสแสดงศิละปะนนนี่มาภาพก็เขียนหนังก็ผ่านะถ่ายทําอะไรภาพอะไรอาตมาชอบทางด้านนี้หมดวรรณกรรมวรรณกรรมเขียนหนังสือหนังหาแต่งโครงกรอนฉันทลักษกบระบดนู่นนะอาตมาแต่งโครงกรอนเล่นกันขนาดกบรบท เล่นซักซ้อมชอบนะเรื่องเขียนหนึ่งวาดหน่งภาพหนึ่งถ่ายเรื่องอะไรต่ อ, อไรทำทั้งนั้นฝึกทั้งนั้นเอาไปในทางศิลปะหมดและเดี๋ยวนี้อาตมาก็ข อ, อยืนยันว่าอาตมา ก, กำลังใช้งานศิลปะวิความรู้วิชาศิลปะนี่แหละกำลังทำงานศิลปะเพื่อให้เกิดผลจริง งานศิลปะของอาตมาเป็นงานศิลปะระดับโล ก, กุตระเป็นงานศิลปะที่สร้างโดยเอาวัตถุดิบจากทุกอย่างดินน้ำลมไฟและสรพพชีวิตมาประกอบขึ้นมาให้เป็นงานศิลปะผลที่เกิดเป่าหมายที่เกิดเป่าหมายใหญ่ก็คือเอา มนุษย์นี่แหละให้มนุษย์นี่ลรเกิดเป็นเป้าหมายจากองค์ประกอบเหล่านั้นสร้างองค์ประกอบศิลป์นี้นขึ้นมาเรียกว่า composition ของศิละปะขึ้นมามีองค์ประกอบทุกอย่างดินน้ำลมไฟพฤติกรรมแม้กระทั่งกิจกรรมกิจการอะไรต่างๆนานาพิธีกรรมต่างๆนานาดินน้ำลมไฟมนุษยชาติจิตวิญญาณเอามาประกอบเขา้า เพื่อให้เกิดผลที่เป้าหมาย interest point ให้ได้ผลที่เป้าหมายขึ้นมาก็คือให้คนนี่แหละเป็นเป้าหมายเกิดผลพัฒนาหรือเจริญและอยู่เย็นเป็นสุขนี่ความหมายสรุปอาตมาแน่ใจว่าอาตมาทางานศิลปะจริงๆทั้งการเป็นอยู่ทุกอย่างประกอบ ประกอบคอมโพสิชันอาตมาเป็นคอมโพเซอร์เป็นคอมโพเซอร์เป็นผู้ประกอบองค์ประกอบสินนี้ขึ้นมาจริงอาตมาเข้าใจงานเสี้ยป่าที่เขากำลังลวงคนอยู่ก็เยอะแยะมีคุณภาพบ้างมีเนื้อหาบ้างก็ เ, เยอะแยะจะไม่ว่าจะเป็นการร้องการเขียนการปั่นการทำงานทั้งด้านแม้แต่สถาปัตยกรรมอะไรต่างๆก็ตามอ่า เป็นดนตรีการฟ้อนลำหรือว่าท่าทานดีลาท่าทางเรียกว่าดราม่าหรือดัมมติกเนี่ยท่าทางดีลาก็เหมือนกันมันประกอบอยู่ในองค์ศิลป์ทั้งนั้นเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันมีศิลปะอะไรบานเบิกออกมาจากศิลปะหลักๆเดิมๆเมยอะแยะเป็นศิลปะทางการค้าศิลปะทางการโฆษณา ศิละปะอะรแต่ไรที่แบ่งแยกย่อยออกมาอีกเยอะก็ตามทีนี้ไอ้ศิละปะแยกย่อยออกมาส่วนใหญ่ทุกวันนี้เลวไหลเลอะเทอะไปในทางที่จะมอมเมาส่วนศิละปะที่เป็นศิละปะแ ท, ท้เรียกว่าไฟาอาร์ต ท, ที่เป็นศิละปะแท้เป็นมีเรื่องการเขียนมีเรื่องการปั้นมีสถาปัตยกรรมมีวรรณกรรมมีดนตรี และนาฏกรรมอะไรงี้เป็นต้น5อย่างไฟอาร์ตเขามีอยู่5อย่างไฟอาร์ตมีห้าแค่นั้นแหละเดี๋ยวนี้ขยายไปเยอะแยะอตรมาก็เข้าใจแล้วก็เอาเข้าใจไอ้อะไรของเขาพวกนั้นแม้แต่ศิลปะทางด้านโฆษณา mm hmm. ก็หยิบเอารายละเอียดเนื้อหาความหมายอะไรของเขามาประกอบมาร่วมด้วยคอมโพสกันเข้าแล้วก็ให้เกิดคุณค่าจนมี มีแรงให้พวกเรานี่เกิดสภาพการที่รับน้องใหม่นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเรียกว่าพิธีกรรมวิธีหนึ่งพิธีกรรมแล้วก็จัดสรรกันขึ้นมาอาตมาเห็นพวกเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำสุดอาตมา ก, ก็ดูนโยบายอะไรอะไ ร, ะไรก็ส่งเสริมแล้วครับพวกเราก็ช่วยกันทําเพราะอาตมาทํางานคนเดียวไม่ได้หรอกงานนี้มันงานใหญ่อถาถะว่าเป็นเจ้าของสตูดิโอที่จะสร้างงานศิละปะเนี่จะต้องมีลูกน้องลูกมือเยอะ แล้วก็ช่วยกันทำอย่างเงี้ยพ้ออกมาบอกแล้วว่าก็เอามนุษยชาตินี่แหละเกิดผลใหญ่ผลสำคัญจนกระทั่งได้ขึ้นมามีมนุษย์เปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าใจชีวิตดำเนินชีวิตจนเอาชีวิตมาเป็นคนอย่างนี้มาเป็นคนอย่างที่ได้รับเมื่อได้รับผลเมื่อเลยสมัครใจ เต็มใจยินดีแล้วก็มาเป็นอย่างนี้กันไม่ง่ายเลยจะเอาคนมาเป็นคนชาวโลกอีกโลกหนึ่งเลยแบบปารโลกที่อาตมากล่าวถึงไปแล้วเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่บุทรเจ้าท่านสอนคนว่าคนในมันมีอยู่สองพวกเถอะนะนะท่านแบ่งเป็นปุตุชนกับอริยบุคคลหรือว่าคนในโลกโลกีกับในโลกโลกุตระในโลกโลกุตระก็บางพอเป็นคนที่สวนกระแสกันหรือทวนกระแสกันทวนกับคนละอย่าง อยากได้ลาบยศสันเสรญโลกีสุขนั่นคือคนโลกโลกธรรมดาทุกคนเป็นอย่างนั้นแหะแต่โลกนี้ทวนแล้วไม่ไม่ต้องไปอยากได้ลาบยศสนเสรญโลกีสุขไม่ต้องไปเสพสุขอย่างนั้นแต่ก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึง่งสุขอย่างชนิดที่ทางด้านคนอีกโลกหนึง่งมันต่างกันต่างกันจริงจรงแล้วเรียนกันไม่ใช่เรียนกัน ธรรมดาเรียนกันทั้งชาติไม่ใช่ชาติเดียวด้วยถ้าว่ากันจริงๆแล้วเรียนกันหลายชาติเพราะคนเราเนี่ยมันเป็นโลกโลกลงไปเป็นสัตว์โลกมานานสังสมมาจนจะไปสัตว์เซลล์เดียวจนกระทั่งกว่าจะมาเป็นสัตว์กี่ล้านเซลล์เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะเป็นมนุษย์ที่เป็นเวไน ย, ยสัตว์เป็นสัตว์ที่สอนได้ อาวัยในยศที่สอนไม่รู้เรื่องหรอกเอาโลกุตรธรรมนี่ไปสอนเขาไม่รู้เรื่องหรอกจะให้เลิกลาบยศเสน่เริญเลิกโลกียสุขเลิกกามเลิกอยากได้อยากมีอยากเป็นที่จะมาเสพสุขให้สมใจเนี่ยเขาเลิกยากมากที่จริงไม่ได้เลิกนะไม่ได้เลิกเป็นคนสร้างลาบสร้างยศไม่ได้เลิกเราสร้างแต่ว่าเราไม่ยึดว่าลาบนี่เป็นของเราเราสร้างขึ้นมา แล้วก็ไม่ได้ฟูใจไม่ได้มัดกระดีกระดาอะไรหัวใจสร้างมาก็ดีก็แบ่งแจกกันอย่างที่อธิบายไปบ้างแล้วแบ่งแจกกันเจือจานกันบริหารกันบริหารแปลว่าแบ่งให้ทั่วบริหรือปรินี่แปลว่าทั่วแปลว่ารอบหารแปลว่าแบงหรือให้มันอยู่ได้อย่างดีถ้าจะบอกว่าหาละหรืหาฤติคารติเนี่ยให้อยู่อย่างสมดุลสมบูรณ ถ้าอยู่อย่างสมดุลสมบูรณ์หมายควาว่ามันอยู่มันยังมีอยู่เนี่ยมันจะต้องสมดุลถ้ามันไม่สมดุลนะมันจะแหวงแลือมันจะเสื่อมหรือมันจะเกิดเกินการมันไม่อยู่ถ้าอยู่อย่างดีเนี่ยมันจะสมดุลเป็นวงวนที่อยู่กับที่หรือนิ่งสงบจะจะไม่เกิดร้อนไม่เกิดลําบากไม่เกิดวุ่นวายนี่เรียกว่าความสมดุลสมบูรณ์ เพราะอะไรที่อยู่อยู่ได้ทรงสภาพที่เป็นอย่างนั้นได้เที่ยงแท้ท้าวรหรื อ, อยืนนานได้เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงง่ายไม่วูบวาบไม่เสื่อมง่ายไม่เกิดเร็วไม่เกิดก่อไปในทางอีกทางนึงหรือก็ไม่หมดไปอีกทางหนึ่งอยู่ทรงสภาพเนี่ยสมดุลเนี่ยนี่เรียกว่ายูภาษาไทยภาษาสัน้นเรียกว่าอยููภาษาบาลีเรียกว่าหารติหรือหานหาระเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าเราก็จะเอาความหมายอีกอันนึงว่าจะให้มันอยู่อย่างสมดุลกันเราก็จะต้องมาแบ่งแจกกันให้เสมอสมานกันแล้วมันจะอยู่สมดุลเพราะฉะนั้นบริหารก็หมายความว่าแบ่งกันให้ทั่วผู้บริหารคือผู้ที่จ้องสื่อสัตว์สุจริตแบ่งกันให้ทั่วไม่ใช่กูเอามากเองเอาน้อยอย่างพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยพวกที่ไปบริหารประเทศนี่นะเขาได้มากเหมือนกันนั่นแหละแล้วเขาก็แบ่งให้คนอื่นน้อย ยิ่งในทางประชาธิปไตยใครมีอํานาจมากใครมีความสามารถมากใครใครมีความเก่งมากดีที่จริงก็ดีมีความสามารถมามีความเก่งมากมีความรู้มากดีแต่ควรจะแบ่งให้ผู้ที่มีน้อยไม่ไม่เก่งหรือเก่งสู้ไม่ได้การแบ่งให้เป็นการดีเพราะบริหารคือผู้มาแบ่ง และผู้มาแบ่งนั้นก็จงควรเป็นผู้ที่ตัวเองสามารถมีได้ไม่ใช่มาแบ่งคือมาแบ่งเอาของเขาผู้บริหารที่ตัวเองไม่เป็นตัวเองไม่มีตัวเองสร้างอะไรไม่ได้แล้วมาคอยแบ่งเอาของเขาผู้นี้ไม่ใช่ผู้บริหารผู้นี้เป็นผู้ที่มาช่วยโอกาสเดี๋ยวนี้มีเยอะนะคนอย่างเงี้ยตัวเองไม่เป็นไม่รู้ว่ารู้อะไรก็รู้เหมือนเป็ดรู้เหมือนอะไรไม่เข้าท่าอะไรหรอกให้ทาเอง ไม่เป็นแต่ทาเป็นรู้มากอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็ลำเอียงเพราะัผู้บริหารต้องซื่อสัตย์สุจริตมีสมรรถนะมีสมัรถ ภ, ภาพด้วยเป็นปลาใหญ่ที่ช่วยปลาเล็กไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมปลาใหญ่กินปลาเล็กและเขาก็ถือว่ายุติธรรมก็ฉันเก่งมากฉันก็ต้องเอามากฉันก็ต้องกินมากแต่ขอบริจาคสอน แม้จะเก่งมากสามารถมากกินน้อยเอาน้อยมักน้อยแต่ให้กับคนอื่นมากๆต้องทำให้ตนเองนี่เปลืองน้อยบริโภคน้อยเหมือนกับเป็นเครื่องกลรถยนต์คันเก่งรถยนต์คันเก่งที่กินน้มามันน้อยเปลืองพลังงานน้อยเปลืองอะไรน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง บรรทุกเด็มมากบรรทุกเด็คล่องบรรทุกได้เร็วอะไรก็แล้วแต่มีประสิทธิภาพสูงทุกอย่างแต่กินน้อยกินพลังงานกินเปลืองผลาญนึกความเสื่อมน้อยในตัวเองเนี่เป็นความเสื่อมน้อยแต่ให้ผู้อื่นได้มากๆก็เป็นรถยนต์วิเศษเครื่องกลวิเศษเป็นหุ่นยนต์พิเศษคนเหมือนหุ่นยนต์นี่แหละ น่าจะเป็นมีประสิทธิภาพพิเศษอย่างที่กล่าวนี้ได้จริงศาสนาพุทธหล่อหลอมหรือว่าสอนคนให้เป็นอย่างนี้สอนเล่าให้ปพฤติปฏิบัติอบรมฝึกฝนให้คนเป็นอย่างนี้บรางคนเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์ในโลกเป็นคนอนุเคราะห์โลกเป็นคนอุ้มชูโลกอยู่ช่วยเหลือคือเกื้อกูลโลกอยู่เสียสละสร้างสรรค์อยู่จริงๆ นี่คุณลักษณะแท้ที่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณมารู้ในเรื่องเรื่องย่อยๆมาในที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบของการอบรมฝึกฝนศึกษาเพื่อจะให้มาเป็นคนดังที่อาตมากล่าวแล้วทั้งนั้นทั้งในภาวะที่บางคนก็ยังฝื้นอยู่อบรมอยู่บางคนได้แล้วเช่นว่าเออมาถอดรองเท้าได้แล้วสบาย ไม่อยากอะไรเท้าก็มีภูมิคุ้มกันสูงเชื้อโรคเข้าไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าเป็นเท้าที่แข็งแรงภูมิคุ้มกันสูงอย่างที่ทิกะมารินฟ้าว่าแล้วเหยียบพญาติปากขอดิขอหักเลยขอหักเลย ขอพยาธักเลยจริงๆพวกเรานี่ไม่ค่อยมีหรอกพยาธอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าพวกเราจะหลงตัวเองนะตรวจนะพวกเรานี่ไปตรวจพยาธกันบ่อยอย่างอาตมาเนี่ย บ, บางๆกันมาขอไปล้วขออุจระไปตรวจตรวจมีพยาธก็จัดแจงแก้ไขกันไม่มีพยาธไม่มีพยาธอะไรจ ะ, ะไรที่มันจะอยู่ในท้องเราเรามองพยาธหรืวยาแม้พยาธที่เป็นเชื้อโรคก็ตรวจได้จาอุจระ ปัสาวะอุจระหรือเลือดพวกนี้ก็กลัวดได้กรัวจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับในร่างกายเราเดี๋ยวนี้ก็มีความรู้ทางด้านการแพทย์อะไรนี่เขารู้ดีเราไม่ได้เป็นคนมีพยาธอะไรเยอะเรื่มมากินมือเดียวได้อย่างนี้เป็นต้นบางคนก็สบายแล้วจริงๆอาตมานี่อาตมาอวดอุตริมนุษยธรรมกับพวกคุณได้ว่าอาตมากินมือเดียวสบายให้ไปกินสองมือลาบากลาบากจริงๆให้ไปกินสองมือ กินมือเดียวก็เมือ่อยจริงๆนะเมือ่อยจิงกว่าจะเสร็จกินมือนึงเนี่ยอมเมื่อยแต่คนที่กินด้วยกินเละแหมยิ่งอร่อยยิ่งเร็วมัว่ยิ่งกินได้เยอะด้วยเร็วด้วยมันอร่อยเอแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยม อ, อยอยากจะเข้าไปแล้วกลืนกลืนกลืกลกลแต่ต้องเคี้ยวบางบางอย่างกลืนมันจะเจ็บค อ, อเคี้ยวบางเท่านั้นเองเพญาะะนั้นเคี้ยวจะไม่เคยแลหลกหรอก คนที่กินอร่อยนี่เคี้ยวจะไม่เคยแหลกอาจจะรีบรีบกินรีบกลืนอ่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจริพอกินเร็วคนที่กินเร็วๆนี่นะด้วยไม่ติดในรถไม่ติดในอาหารก็ต้องรีบเพื่อที่จะกินเร็วๆเพื่อจะได้ไปคว้าอันอื่นเอาอันอื่นสแสวงหาอันอื่นเช่นว่าจะต้องรีบไปทํางานจะต้องรีบไปเอาอ น, นุ่นจะต้องรีบไปทําไอ้นี่พเพราะงั้เขาเลยกินนี่ก็เลยช่ามันรีบๆกินก็นแล้วกันกึ่งๆจะได้เอาเวลานี้ไปใช้อื่น หรืออร่อยก็กินเร็วไม่อร่อยก็รีบเอาไปใช้อื่นก็กินเร็วแต่ถ้าคุณไม่ได้คนไม่ได้ติดอร่อยแล้วก็ไม่ได้ติดเพราะว่าจะต้องรีบไปทำอะไรอื่นเพื่อลาบยศสรรเสริญโลกีสุขอะไรของเราก็กินอย่างเคี้ยวให้ถูกสุคลักษณะเคี้ยวให้แลกเคี้ยวให้ละเอียดพอสมควรค่อยกลืนยิงปฏิบัติทางทมแล้ว เคี้ยวแล้วก็ให้รู้เลยนะว่าไม่การกินอาหารนี่เพื่อที่จะเอาธาตลงไปเลี้ยงร่างกายเท่านั้นอย่างที่ท่านสวดปัจเจเวกไม่เพื่อเพลิดเพลินสนุกสนานอะไรอร่อยไม่ได้เพื่อให้มันเป็นไปมอมเมางมงายอะไรของตัวเองไม่เพื่อประดับเพื่อตกแต่งเพื่ออวดอ้างเพื่ออะไรอะไรต่างๆนั่นนะแต่เพื่อที่จะให้มันเลี้ยงร่างกายเท่านั้นเองกินให้รู้ พิจารณาอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นใครยังกินอาหารแล้วก็ยังมีรสอร่อยติดใจในรสอร่อยถ้าไม่อร่อยก็กินไม่ลงอยู่นะ่ยยังมีกิเลสอยู่ทั้งนั้นเลยกินอาหารมันก็รสของมันเขาจะปรุงมาหรือไม่ปรุงมาของสดๆของแท้ๆผักเสตดาเอามากับเคี้ยวมันก็ขมะมะนาวมะเขียวมันก็เปรี้ยวน้าตาลเคี้ยวมันก็หวานมันก็ธรรมดา พริกมะเขือมันก็เผ็ดเป็นสัตจคกณของมันอันนี้มันมีกลิ่นอย่างนี้อันนี้มีรสอย่างนี้มีสีอย่างนี้ก็เป็นรื่องสัตจคกณของมันแต่มันมีธาตุอยู่ในนั้นที่เราต้องการไหมเราก็เอาใส่เข้าไปโดยวิธีเคี่ยวมันลงไปกลืนไม่มีอะไรที่จะรู้สึกว่าโอ้ยมันกินไม่ลงผลักอันี้มันแต่มันอาจจะมีปฏิกิริยาได้อย่างเผ็ดอย่างนี้เป็นต้นแต่กลืนก็กลืนลงได้แต่ถ้าไม่กลืนเนามะเขือมันก็ มันก็มีปฏิกิริยาแสบร้อนอะไรนําตามเซลล์ตามประสาทของเราก็ใช่แต่เวลากินแล้วก็ไม่จะเดือดร้อนอะไรถ้ารู้ใจรู้จักความจริงของมันแล้วนี่เป็นต้นมันพูดอีกกินจะเคี้ยวจะอะไรก็จะมีลักษณะที่สูงส่งอ่มีลักษณะที่ไม่ติดในรูปไม่ติดในรสไม่ติดในอะไรถ้าใครทําได้นั่นเป็นการพิสูจน์ปฏิบัติจิตปัญญาณตัวเองอย่างว่าจะแข็งแรงไม่ด้วยเหมือนกันน่ะ อาตอมาเอาเรื่องปรึกๆย่อยๆมาให้พวกคุณไปเพื่อที่จะติดตัวไปหัดร้องฝึกร้องหัดบ้างออกไปได้จากที่นี่ไปได้อะไรบ้างเรื่องการละเล่นการละหัวอะไรก็ติดตยืดยืดกันทั้งนั้นแหละนันมันก็เป็นอารมณ์อาตอมาก็คงจะใช้เวลานี้อธิบายไปมากมายไม่ได้หรอกนะต้องมาศึกษาดีๆบอกแล้วว่าไม่ใช่ศึกษาชาติเดียวมันศึกษากันหลายชาติกว่าจะล้างจะลดหมดเกลี้ยงเนี่ยหมดได้จริงๆถ้าหมดไม่ได้ไม่จริงอรหันต์ไม่มีพระพุทธเจ้าก็หลอกเราแน่นอน แต่ถ้าคุณเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนคนให้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ติดยึดในโลกีรรถในเรื่องโลกโลกอะไรพวกนี้ได้จริงแล้วแล้วก็อันนั้นพระพุทธเจ้าแน่นอนสอนจริงและมีจริงคนจริงต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้คุณอยากจะรู้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนเราในโกหกหรือเปล่าคุณต้องมาพิสูจน์ด้วยตนองเอาตนก็มาพิสูจน์จนกระทั่งคุณเจอความจริงของจริงลดละได้จริงบรรลุเป็นพระอรหันต์จริงนั่นแหละคุณจะเชื่อพระพุทธเจ้า อย่างน้อยบรรุโสดาบันคุณก็จะเชื่อเมื่อคุณธทรรมอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นต้นของพระอริยะเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอนาคามีจนเป็นพระอาหารหันนั่นแหละคุณมีจริงได้จริงคุณจะเชื่อซึ่งมันยากคนจะไปได้ง่ายๆนไม่ง่ายหรอกคุณจะทำพวกนี้ไม่ได้ได้ง่ายๆแต่ได้แล้วคุณจะมั่นใจเพราะมันเป็นของจริงที่คุณได้และเป็นของจริงที่ยากเป็นอริยะคุณ เป็นอริยสัตว์เป็นสัจจะของคนประเสรศิฐไม่ใช่เรื่องของพื้นพื้นคนธรรมดาสามัญใครก็มีได้ง่ายๆไม่ได้ง่ายๆแต่มีได้ของนี้ต้องพิสูจน์ทา้าทายให้พิสูจน์าศาสนาพระรู้เจ้าต้องมีสาระสัจจะพวกนี้อยู่และมันเป็นประโยชน์ต่อตนต่อโลกต่อสังคมด้วยจริงๆพอล้างกิเลสแล้วก็ล้างความเห็แก่ ต, ตัวออกไปจริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์อยู่ในโลกในสังคมสรุปง่ายๆก็คือคนที่ไม่อยากได้อะไรมาเป็นของตัว แต่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรมีอิทธิบาทมีความยินดีในการงานสร้างสรรการงานอย่างจิตใจเอาใจใส่ในการงานขยันภาคเพียรในการงานจริงๆพิจารณาตัดสินแก้ไขให้มันดีงามอยู่ตลอดไปโดยไม่ต้องไปรับรายได้อะไรเลยได้รับการเคารพ บ, บูชาด้วยคนร่ำรวยนี่นะแล้วคนก็ไปกราบ ไ, วไหว้แปลกไหมแปลกไหม คนร่ำรวยแล้วคนก็ไปกราบไปไหว้ยกย่องบูชาแปลกไหมไม่แปลกคนร่ำรวยคนก็ไปกราบไหว้บูชายกย่องไม่แปลกในโลกนี้เต็มไปหมดแต่ถ้าคนจนจนไม่มีเงินไม่มีทองเลยจริงๆคนที่มากราบมาไหว้เขาก็หมดท่าเลยไม่ได้เงินจากไอ้คนนี้แง่เพราะว่าคนนี้ไม่มีเงินเลยแต่เขาก็มากราบไหว้มาบูชายกย่อง และยกย่องอย่างมีปัญญาด้ดยว่าต้องอยังนี้สิคนนี้สิไม่คนนี้นี่กล้าจนจนจนหมดตัวจนจนไม่ต้องสะสมอะไรเลยแต่มีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่มีทุกข์มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความรู้มีความขยันหมั่นเพียรมีความสามารถช่วยสอนช่วยทำให้เราพ้นทุกขช่วยให้เราได้เป็นคนดีได้ด้วย แลท่านก็ไม่สะสมอย่างจริงไม่กอบโกยไม่โรมโมโทสันเอาอะไรของใครมีแต่ให้ให้ให้ให้ใ ห, ให้แล้วท่านก็ขยันสร้างสรรค์อยู่เลี้ยงตนด้วยอัตหิอัตโนนาโถพึ่งตนแล้วก็คนอื่นได้พึ่งท่านด้วย